เลาได้ตรัสสรุปสอนให้สำเนียกว่าจิตของเราหนึ่งจะได้รับอบรมโดยควรแก่การบวชสองจะไม่ถูกอกุศลและบาปทำครอบงำสามจะได้รับอบรมด้วยความกาหนดหมายว่าไม่เที่ยงสี่จะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตนห้าจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายว่าไม่งาม 6. จบบจะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายถึงโทษ 7. จัดะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายที่รู้ถึงความเสมอไม่เสมอแห่งโลก 8. ปดจะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายที่รู้ถึงความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นแห่งโลก 9. จัาจะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายที่รู้ถึงความเกิดขึ้น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 หรือถ้ายังมีกิเลสเหลือก็คือความเป็นพระอนาคามีตรัสแสดงธรรมแก่พระคิริมานนผู้เป็นไข้โดยสอนให้พระอานน์จำไปบอกเรื่องสัญญาสิบประการคือหนึ่งอณิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยง 2. อ, อนาตตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตน 3. อสุภาัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งาม 4. อาทีนวะสัญญาความกำหนดหมายถึงโทษของกายห้าปหาณสัญญาความกำหนดหมายถึงการละอกุศลวิตกหกวิราคะสัญญาความกำหนดหมายถึงความคลายกำหนัดเจ็ดนิโรธสัญญา ความกำหนดหมายถึงความดับสังขารและกิเลสทั้งปวง 8. สัพพโลโกเกอนภพิระตบสัญญาความกาหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง 9. สัพพสังขารเรสุอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง 10. อาณาปณะสติ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 ความคลุกคลีด้วยหมู่เป็นเสี้ยนนาำของผู้ยินดีความสงัด 2. การประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิมิตว่างามเป็นเสี้ยนนามของผู้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิมิตว่าไม่งาม 3. การดูการเล่นเป็นเสี้ยนนาำของผู้สำรวมอินทรีย์ 4. ีการเที่ยวไปใกล้มาตุคามเป็นเสี้ยนนามของพรหมจันทร์ 5. เสียงเป็นเส้นนาำของฌานที่หนึ่ง 6. วิตกวิจารคือความตรึกและความตรองเป็นเส้นหนาำของฌานที่สอง 7. ปีติความอิ่มใจเป็นเส้นนาำของฌานที่สาม 8. ลมหายใจเข้าออกเป็นเส้นนาำของฌานที่สี่ สัญญาคือความกำหนดหมายและเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ว่าสุขทุกข์เป็นต้นเป็นเสี้ยนหนามแห่งการเข้าสัญญาเวทอยตะนิโรธ 10. ราคะคือความกำหนัดยินดีและโทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเสี้ยนหนามทั่วๆวไป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 9. ธรรมะส่วนนี้อัตถกถ า, าแก้ว่าโลกุตระธรรม9คือมรซีผล4ีนิพพานหนึ่งสสัตว์น่าจะหมายถึงคนที่ถูกใจตรัสแสดงอันตราย1ิบประการแห่งสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจคือหนึ่งความเกียรตร้านเป็นอันตรายแห่งทรัพย์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 การไม่ท่องบนเป็นอันตรายแห่งการสัดับรบฟังมาก8การไม่ตั้งใจฟังไม่ไต่ถามเป็นอันตรายแห่งปัญญา9กาการไม่ประกอบหนึ่งเนืองการไม่พิจารณาเป็นอันตรายแห่งธรรมะ10การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายแห่งสัตว์ส่วนอาหาร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 ธาตุกรรมกรห้าสัตว์สี้าหกสัตธาเจ็ดศีลแปดการสดับตรบฟังเก้าการสละและสิบปัญญาตรัสแสดงบุคคลสิบประเภทคือหนึ่งทุศีลปฏิบัติมีแต่เสื่อมสองทุศีลแต่กลับตัวได้ ปฏิบัติก้าหน้าสมีศีลปฏิบัติมีแต่เสื่อมสมีศีลปฏิบัติก้าหน้าหมีราคะกล้าปฏิบัติมีแต่เสื่อม 6. มีราคะกล้าราคะดับไม่เหลือปฏิบัติก้าหน้า 7. ม็ดมักโกรธปฏิบัติมีแต่เสื่อม แปดมกโกรธความโกรธดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้า 9. ฟุงส่านปฏิบัติมีแต่เสื่อม 10. ฟุงส่านความฟุงซ่านดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้าตรัสแสดงแก่พระอานน์เพื่อแก้ข้อข้องใจของมิคาสาลาอุบาสิกาดังนี้หนึ่งตรัสว่า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 คือทำลายความดีของผู้อื่นขนองทยานอยากกินมากละโมบไม่กรุณาไม่มีกำลังส่งเสียงเอ็ดอึงหลงลืมสติทำการสะสมตรัสแสดงอสัตธรรมของพวกนิครนและเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตวักที่สี่เทรวัก ว่าด้วยพระเทระต่างๆตรัสว่ารัตถาคตพ้นจากธรรมะสิบอย่างคือขันห้าชาติชรามรณะทุกข์และกิเลสเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำโผล่พ้นน้ำไม่เปียกน้ำตรัสกับพระอนุนว่าเป็นไปไม่ได้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 ตรัสแสดงเหตุที่พระธรรมเทศนาของพระตถาคตบางครั้งก็แจมแจ้งบางครั้งก็ไม่แจมแ จ, มแจ้งแก่บางคนเพราะมีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปนั่งใกล้ไม่ไต่าถามไม่เงียสอดฟังธรรมไม่ทรงจำธรรมะไม่พิจารณาอัฏถะแห่งธรรมะไม่รู้อัฏถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมตามความสมควรแก่ธรรม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 ตรัสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เคารพไม่เป็นที่สรรเสริญไม่เป็นสมณะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือก่ออธิกรณ์ไม่ใกล้การศึกษาปรัถนาลามกมักโกรธลบหลู่บุญคุณท่านโอ้อวดมีมายาไม่พิจารณาไม่หลีกเร้นไม่ต้อนรับเพื่อนปรมจารี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 ไม่มีความยินดีประพฤติโปรหมจันทร์ต้องอาบัตชั่วหยาบอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องโรคาพาธอันหนักจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าหลงตายตายแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกมีเรื่องเล่า ว, ว่าพระโกกาลิกะซึ่งเป็นพวกเดียวกับพระเทวทัต กล่าวหาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่ามีความปรารถนาลามกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามปรามถึงสามครั้งก็ไม่ฟังต่อมาไม่ช้าก็เป็นโรคผู้พองมีแผลใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึงต้องนอนบนใบตองมีน้ำเหลืองและโลหิตไหลคล้ายปลาที่ถูกคอร์เกลด็ดในที่สุดก็ทากาละหรือสิ้นชีวิตด้วยอาพาธนั้น และไปเกิดในปทุมนรกพระสาวรีบุตก ร, ราบทูลเรื่องกำลังของราคีนาศพสิบประการหัวข้อเดียวกับเรื่องกำลัง8โดยเพิ่มอีกสองข้อคือเพิ่มเจริญสัมมประทานสคือความเพียรชอบสี่และเจริญพละหรือกำลังห้า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 แจกจ่ 7. 7. ายทำบุญสแสวงหาทรัพย์มาได้โดยชอบทำบ้างผิดธรรมบ้างไม่ทำตัวเองให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญห้าทำตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 6. กทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญเจ็ดแสวงหาทรัพย์มาได้โดยชอบทำไม่ทำตัวเองให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ แปดทำตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญเก้าทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญและติดไม่เห็นโทษในทรัพย์นั้นสิบทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญแต่ไม่ติดและเห็นโทษในทรัพย์นั้นแล้วตรัส ช, ชี้ถึงบุคคลแต่และประเภทเหล่านั้นว่าประเภทไหนถูกติเตียนกี่ทาง ควรสันเสริญกี่ทางตรัสแสดงธรรมแกอนาถบินทิกาเขรือหาบดีว่าอาริยาสาวกที่สงบเวรห้าได้ประกอบด้วยองค์แห่งพระโสดาบันสีได้เห็นยญายธรรมคือธรรมะที่ถูกต้องด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อปรารถนาก็พึงพยากรตนเองได้ว่า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 โตอตอบกับพวกปริพาชกถึงทิฏฐิสิบประการที่พวกเขายืนยันเช่นโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงว่าความเห็นนั้นๆก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้วัชยยมาหิตะค า, หารหบดีโตอตอบกับพวกปริพาชกถึงเรื่องการบำเพ็ญตบะว่าพระผู้มีพระภาคทรงติสิ่งที่ควรติ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 ที่ไม่ส่งพยากรณ์ให้ฟังพระอานนท์โต้อตอบกับโกกานุทธะบริภาชกถึงเรื่องทิฏฐิสิบประการในธรรมนองคล้ายคลึงกันตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะสิบประการเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือมีศีลสดับมากคบเพื่อนที่ดีมีความเห็นชอบ ได้อภิญยาหกมีแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นตรัสว่าภิกษุผู้เป็นเทระประกอบด้วยธรรมะสิบประการอยู่ในทิศใดๆก็มีความผาสุกในทิศนั้นๆคือเป็นพระเทระรู้ราตรีนานมีศีลสดับมากฉลาดในการระงับอธิกรณ์ครธรรมะสันโดษ ด, ด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้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 ค่อยเลื่อนชั้นการปฏิบัติจนถึงได้สัญญาเวทะยตะนิโรธเขาความเดียวกับสามัญญผลสูตรและตรัสเรื่องยังละธรรมะสิบอย่างไม่ได้ไม่ควรทำให้แจ้งอรหั ต, ตผล